Copyright g o e a München Book คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่งแอนนาคนอซิบดีฉันยช่ดีฉันและคุณ Yes, in tea เราทั้งสอง m i d w a เขา on เขาและเธอ on in o n o เขาทั้งสองอ o n o r v a ผู้ชาย มอสกีผู้หญิงเด็กอัตรอกครอบครัวดรูจินาครอบครัวของดิฉันโมยาดรูจินาครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ มอยาดรูจินาเยตุคัยดิฉันอยู่ที่นี่ยัสเซมตุคัยคุณอยู่ที่นี่ทีซิตุคัยเขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่ออนเยตุคัย In o n o r yetu yeah, kay เราอยู่ที่นี่ mi smotu kay คุณอยู่ที่นี่ vi stetu kay พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ onu si so tu kay